ตอนนี้มีสิ่กันหมดแล้วเนาะตอนนี้พอเรามีสิ่กันหมดแล้วใช่ไห ม, มถ้าไม่รับปต้องมีสิ่งไหมวันนี้เป็นวันอะไรวันอาสาฬหบูชาเจ้าค่ะวันจินใจชิดใจ อาจจาะนาหพุท้าปญญาแล้วก็แสดงว่ารู้เรื่องหมดแล้วใช่ไหมไม่ใช่ปฏิวัติอะไรเกี่ยวข้องกันยังไงเกี่ยวข้องทางพุทธศาสนาเจ้าค่ะพุทธเจ้าเป็นวันที่ กระแสของเราเขรู้เรื่องหมดแล้วมาจอบเทปแล้วเขารู้เรื่องหมดเขาพูดเหมือนเก่าเลยสมมติวาร่างถามกับแกงเนี่ย น, นี่นี่แกงอะไรต่อได้หมดอ่ะ น, นี่กเกี๊ยวนี่ขนมจีนนี่หางเล่ย์นี่ตอได้หมด ช่วงเดือนที่ผ่านมาการเดินทางเดินทางนึกถึงพริเจ้าของเราหลังจากที่ลงดัตโตแล้วเดือนหกคือวิสาขะที่ผ่านมาตรงนี้มันเดือนแปดที่ถึงมาค่ะอาจานะ่ะวิสาขานับเป็นเดือน ก็เรียกด้วยเดือน5เดือน6นั่นเองไม่มีอะไรอย่างว น, น, นี้ก็เป็นเดือน8จะเป็นปนักจากที่องค์รับรู้แล้วลองผิดลองถูกปฏิบัติทรมานทรกรรตัเองชนปรสบาสำเร็จหลังจากนั้นขนั่งสวยมีวิตสุข มีเจ็ดสัปดาห์เมื่อหลังกาะตัดสูแล้วแหงรัดที่ที่เจ็ดวันคือสัปดาห์เองสี่สิบเก้าวันหลังการตัดสูเลยยมุติสุขมาพิจารณาดูว่าสัตว์โลกทุกอย่าง กว่าที่จะมีผู้เยาวบัตขึ้นกับโลกใบนี้นับกว่าที่ชาวโลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจพุทธันดรหนึ่งหรือพุทธจงพุทธเจ้าอวบขึ้นองหนึ่งจะขึ้นขึ้แล้วก็องค์อีกเจ้างพลังค น, นที่พัฒนาพุทธภูมิมันนับเอาสองข่ายไม่ได้ ให้พัฒนาพุทธภูมิเป็นการคืนเกต้องเราชิวยาวเป็นกลับกันบอกไปถือเจ้าแล้วก็บรรพทาบารมีแล้วก็ระลอกการพยากรจากพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นองค์ที่เราท่านอย่างของเราองค์ที่สี่อีกองหนึ่เป็นพระโอปมิเจนาแล้วกว่าจะ ลงมาในจังหวะโอาการที่เหมาะสมพระพุทธเจ้าของเราเป็นบุคคลตัวอย่างในการดำ ร, รงชีวิตเพราะฉะนั้นพวกเราให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเรามีความสุขระตามมีความทุกข์ก็ต า, ามก่อนที่เป็นพระพุทธเจ้าขอให้เป็นพบุญธรร กับควาเป็นตนปกติคนพวกเราทั้งหลายเรียนหนังสือทํางานมีครอบครัวประสานงา น, นมีลูกมีเมียจนถึงวยยี่สิบเก้าจะออกอาวุธทางใช้เวลาทดสอบทดลอง เกี่ยบความสร็จไปสามสิบต่างๆเราไม่ใช่เวลาที่เผยเพราสารธารมสี่สิบห้าปีก็แปลว่าผู้เจ้าใช้เวลาแบบโลงโลกกลางโลกสามสิบห้าปีจริงๆอยู่ทางธรรมสี่สิบห้าปีหรืเป็นแปดสิบปี เปิดสิบปีก็เดินถึงวาะสุดท้ายวันนี้จึงเป็นวันที่เรามอนล้อมรูเป็งของพระองค์ที่มีเมตตาที่แรกเพราะสิ่งที่ปฏิบัติที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจมันไม่ใช่จะบอกใครยง่ายๆ และคนที่จะยืนยันไห้ฟังก็เป็นคนลุมน้อยอยากที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้โด่อาการาสมในขณะที่พรองค์งสวยพระีสุขถึงครบจิัจทกาสีขาวใ น, น, นขณะที่ได้ที่ ไปเรื่อยไปเจอโภคาสองคนตะบริะอาริค่ะความจริงสองคนนั้น่าจะสำเร็จของเพื่อนก็ได้แต่ปริยัตยนตนถึงพุทธวาธรรมยังไม่ครบเป็นสุดท้ายพอเขไปหาปเจวชีมั ง, งหารปรเจวิีตั้งหา ทำไมถึงโชคดีขนาดนั้นเราต้องไม่รืมว่าผู้เจ้าเวลาจะทําอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาห์มันไม่ได้มาในความบังเอิญมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําบุญอธิษฐานเรียกกันพยากรจากผู้เจ้าองค์ก่อนๆทางนั้นจึงเ ป, ป็นที่มาของปัจจัยอุตสาห์ทั้งทาง ที่ยกขันธ์นหนึ่งในนั้นก็คือคนที่สลายผู้เจ้าใสา่เป็นพระภูมิมาฤาษีพนาไปหาขอประคดว่าไม่ต้อรับเราเห็นว่าถอนข้อพิจารณาแล้วคบไปไปไม่ได้กันถามว่าผูเ้เจ้าย้ำว่าเราเคยพูดอย่างนี้ไหมทําอย่างนี้ไหมเ ค, เคยเห็นอย่างนี้ไหม เพิ่งทยอมครับในขณะเดียวกันคนที่เข้าใจคือแค่คนเดียวคือคนฐานยะเรื่านั้นก็นไม่เข้าใจให้เขาเข้าใจเขายวอดดวงใจเห็นธรรมหรือได้พระสวดาบั น, นั่งเด่นคือหลักสัจจะทิฏฐิวิธีวิชาสิกปตะปรามาณส่วนัน์รัตน์ไใรยันต์นะคุณผ่วงก็ ถ้สดาบันคุณมบันก็คือยังมีความรัครอบครัวมัหลงยังไม่หมดเหมือนกับพวกเราเป็นพุทธชนแต่ว่าไม่ทากรรมอันหนักมันไปอาบายคือปิดอาบายให้คุณรมสมบัติตอนนั้นจะมีมีครอบครัวอย่างแนวยะขาเป็นต้นปกติให้เราให้คุณเราฝังกราวๆคุณรรสมบัติ ตัวดาสกานาคาสุภณะนิลาเดหะจากสัญญาตัศสิทธิเดหาพอแกก็ยังเหมือนเดิมนาคาทั้งหมดเนี่ยคนรู้บัตรคนที่ได้ของวันนี้ล้วนแต่ผู้ได้สังเดชฌานข่าวว่าสังเดชฌานไม่ได้สัเดชในเพึ่ง มีเพื่เป็นในชาตนี้ท่านสัสมมานังในคนของฌานฌานก็คือรูปฌานกับเอารูปฌานที่เรียกวาสมบัติแป้งเรื่องเป็นคุณสมบัติของจิตของคนที่ออกจากราวไปแล้วถ้าทรงฌานได้กรรมฌานอันนี้ได้หมายว่าจิตหรือสีตตต่ตัวคือเวทนาปัญญาต่างๆมีอย่างเพราะเราเรื่องเราเราทิ้ง คืยการอานสกการะนอนาคามีเดียกรับเป็นตกเป็นเพียงกันอยู่เป็นตัวใหญ่เป็นโตเป็นขาวสําหรับคนที่ได้อ่านไม่แต่ตัวอักษรเล่าสอนโดยความหมายก็บอกแค่เจงว่าไม่กลับม า, าคณสมมตาอนาคานี้ก็คือ การการาคาจะเป็นประโยชนชั้นสูงถ้าจะบอกไ ม, มก่มีการก็ไม่ใช่ถ้ามีการแต่ ว, ว่าท่านไ ม, ม่ได้บริโภคการไม่ได้ใช้การ ม, มีแต่มันแห้งถ้าพูดไปเรารอะงไร มีโดยสัญชตตาตญาณโดยข้าวปลาอาหารเรื่องกระนกของระบบ ร, ร่างกายแต่ไม่มีความผสมคู่งานคืออารมณ์ความใคร่ทางการมเมืองทีรูปสิ่งกิริยบุธรรไม่สามารถ ท, ร ท, าที่กระทบกระทงกิจการได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์เลยที่จะต้องทํามาอีกเพื่อวาบริโภคกา ร, รดันั้นที่ที่ท่านจะไปก็คือชั้นผม ฉันพรหมคือบทที่เรารับไปที่สิน้นสิ้นห้าก็กลางหนึ่งสิ้แปดก็พรมหรรมมาจากอะรอยางก็ถือพรหมกันนั่นก็แปลว่าชั้นพรหมชั้นท่านไม่มีเพศไม่มีเพศเป็นพวกเราเพศจริงเพศชายเพราะถ้านไมได้เสพกลางไม่คิดจะเสพกลามแล้วก็มีมีเรืเร่องกามข้อมูลเกเีข้องในชีวิตประจำวัน เารรวมสิที่เาราปิภาณนี้ไม่มีผลพูดยางไงอาชารเรเยกว่กไม่มีเพศเหมือนพวกเรามีเพศเดียวคือพรหมจรรย์แล้วก็ท่าก็ไปต่อเชั้นสุทธาวาสอันนั้นไปต่อได้เลยแล้วคนที่จัดคนที่พูดก็คือพระพุทธเจ้าถ้าเอาตัวนี้มาเยี่ยมยั น, นมันก็จบแล้วไม่ต้องปฏิปโต ไม่ทำอตุตรามาันยืนยันเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นจำแล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองคืออย่างนี้ต้องอย่างจะมีทางเป็นอย่างสองหรือเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคนที่ไปอ่านแล้วไปจํามาแล้วก็ไปเผลอไปเป็นไปเพื่ออันตรายเป็นที่ว่อันตรายออกมาเป็นสัตธรรมปฏิรูป แต่คนที่จําต่อๆกันไปก็อันตรายพอสุดท้ายก็คือแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังกลับมาปัจจุบัขนาดนั้นเลยก็เอาตักกะวิบัติง่ายๆคือหมายก็ว่าเราจะสอนเรื่องอะไรเราต้องรู้เราต้องเป็นถึงสอนคนอื่นได้ก็ไปลงที่ว่าพูฏิเจ้าก็เป็นอาหารหันต์มาแล้วถ้าไม่เป็นอาหารหันต์สอนใครให้เป็นอาหารหันต์ไม่ได้มันตักกะวิบัติ อันนี้คือที่ที่มันเป็นอยู่เราจะเห็นว่าในขนาดที่เราขาดนึ่แสดงว่าขาดปริยัติแต่เขาไม่ขาดปริยัตปริยัติตมันเป็นวิบัติตัวที่ขาดจรงคือปฏิบัติถ้าปฏิบัติจรงเข้าใจว่าสูดาสกตต า, าอาน า, าอารมณ์ของเขาเป็นอย่างไร องจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้สุดท้ายสิ่งที่พระเจ้าเป็นห่วงคือสิ่งเหล่านี้เป็นวาระสุดท้ายแม้แต่ตอนที่จิตจะออกจาก ร, ร่างไปแล้วเกิดอนิพานก็คือมันดับดับไม่เหลือเหมือนพวกเราคกิดอนิพานอนิพานนด้หรือว่ า, าดั บ, ดบหรือว่าเย็น พระ อ, องค์พูดไม่ได้แต่ว่าคนที่สื่อสารได้คือพระอนุรัตตาวันะวในขณะที่พออระองค์บรารสดวนที่เป็นปุถุชนก็สงสัยเรื่องของชานนั้นพระ อ, องค์ได้ตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นเด็กน้อยก็มีพระอนุรัตานี่แหละคือสื่อสารให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเข้า ชานที่หนึ่งสองสามสี่คือรูปประชานเพื่อาใสยรูปแล้วก็อารูปประชานจนสุดท้ายท่านก็ออกจากรูปประชานอารูปประชานแปลว่าที่ทํามาทั้งหมดก็ทิ้งซึ้อตังจากพรมติดรูปติดอารมณอยู่อย่างไปต่อมาได้จิตมันติดมันค้องในงสิ่งเหล่านี้ ฉะนั้นโดยภาพรวมคนที่ข้องในสิ่งเหล่านี้ถ้าจะเรียกว่าัตวาจึงแปลว่าเป็นผู้ข้องอรืออราจะมาชีหลุดพ้นจากกระแสจิตที่มาคล้องเพราะมันติดมาติดเพราะว่ามันไม่เคยในมนุษย์นี้ไม่เคยมีความสุขอย่างนี้ไม่เคยมีอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างนี้กับคนทั่วไปเลยปฏิบัติโดยเฉามคือฌาน รูปประชานรูปประชานคือมันสุขมันสบายมันสวยเวศนาชีตัวเขาไปศสนาชีตัวหมายถึงรักขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาต่างขันห้าคือรูปมันไม่มีแล้วหมายถึงรูปอย่างที่เราใช้กันได้ก็คือผู้ชายที่เป็นธรรมดาแต่มันอาศัยรูปละเอียดว่าจิตมันต้องมีที่อยู่ต้องมีที่เกาะ มันลอยเฉยไม่ได้มันก็อาศัยรูปละเอียดถ้าเราอย่างนึกไม่ออกก็คือเวลาเราฝันมั่นแหละเวลาเราฝันทั้งไปเป็นเรื่องเวลาวเป็นรูปเป็นรา่างก็จะอะไรก็จะจิตจิตในขณะนั้นขันมันทํางานไม่ได้คือรูปมันทํางานไม่ได้ตาทํางานไม่ได้หัวทำงานไม่ได้มันก็อาศัยจิตหรือจใจหรือมโน สนนั้นในขณะที่จิตมันนึกขึ้นมามันคิดขึ้นมาอาการของจิตมันก็จะปรากฏเรียกว่าอาการของจิตปรากฏเช่นตอนนึกถึงโรคนึกถึงสัตว์นึกถึงอะไรเสียงร้องก็จะปรากฏแต่ว่าปรากฏทางใจไม่ไม่ปรากฏต่างๆที่เกิดจากใจเราจึงเรียกว่ามโนภาพ มโนคือใจนี่ภาพคือพบคือภาพจะเกิดจากจังใจเรานะทีนี้เราก็าพูดาภาษาเราง่ายๆคือสมมติว่าใจเราจดลงโลกใจไะเป็นยาบธรรมดาเนี่ยนึกถึงหมูหมากาไก่โดยเฉพาะคนที่นึกถึงตัวเงินตัวทองบ่อยๆต้องระวังไปัจจก็เรียกเกยเพื่อนอยู่เลยกูัวเพื่อนจำไม่ได้ไอ้หิ้ง คือคว้าเหาเพื่อนดีๆทั้งนั้นเลยเพราะว่านึอกอื่นไม่ได้หนึ่องถึงพุโทโธทำโมสังโคไม่ได้ไม่เปลนประรัตนาใจไม่ได้นี่คือคําว่าใจไม่มากคงไหนประรัตนาใจพอนั้นเจ็ดวันนึกขึ้นมามันก็ออกมาภาพจิตนาการแนละ้วมันก็เกิดดับเกิดดับซึ่งมันไม่รู้คี่เรื่องซึ่งปกติ กลางวันก็ตามกัาคืนก็เร า, าเราเป็นอย่างนั้นอยูอ่แล้วนี่คือคาว่าพบนะั่นคือสิ่งที่จิตเราจะไหลไปเนี่ยถ้าจิตเราไม่ฉลาดพอจิตเรามันมีสติสมาธิปัญญาผอมมันก็จะไหลไปตามนั้นือจิตแล้วก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นหมายก็ว่าเนื้อถือควายจิตมันก็เป็นคอยมันก็ไปอยู่กับควายนี่ย เล็กโกงหรือว่าชั้นความจิตต้องระวังโดยว่าะจิตสุดท้ายนในจิตก่อนจะออกจากรางมอันตารายหรือจิตเอาสุดท้ายทรงชานอยู่ปิดมันลึกหืออั ป, ปนาสมาธิอั ป, ปนาสมาธิก็มันไม่สามารถยึรับสู่ภายนอกได้ไม่เป็นทางกายหรือว่าพาฒนาคือไม่สามารถยึสวยเวทนาเป็นเวทนาสามอย่างคือ โซค่ะทุกขะอุเบกขาเข้าไปคณามีสเรื่องกันนี้แล้วมาอุเบกขาไม่ได้คือวางไม่ได้เมื่อวางไม่ได้มันก็มันก็ไปอยู่สองเรื่องที่ต้องจิตของเราคือมันสบายมันก็ชอบเรื่องสุขะมันไม่สบายมันก็อาจขัดเคือนมันก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นจิตของเราอยู่กับสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา มันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีช่วงไหนที่ไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าเรามองไม่เห็นสิ่งเหลนเราพิจิตต์มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสติปัญญาไม่พอเมื่อปัญญามไม่เกิดมันก็ใช้อะไรมันก็ใช้สัญญาในขันหานั่นแหละรู้เวทนาสัญญาดูความจำได้มาทุกทุกวันแล้วเราอาศัยสัญญา จ่ไปคิดวอาเป็นสัญญาณที่เราจำจำจำาันทั้งหมดจำไอ้แดงไอ้ดำไอ้ขาวไอ้เขียวมูหมากาไก่ไอ้คือสัญญาเป็นสัญญารูปเวินาสัญญาสักพันแล้วก็ปุงตัวจิตเพราะฉะนั้นจิตออกจากร่างแล้วก็เหลือสี่ตัวอย่างว่าเมื่อสี่ตัวแล้วมันก็ไม่สามารถเดติดต่อกับรูปได้พูดยังไง เวทนาจิตญาณสังขารนิยามมันไม่สามารถจะกลับปติต่อกับรูปมันก็ขาดจากรูปรูปก็คือเดินน้ําไฟลมมันทําอาธิไม่ได้ง่ายๆอย่างนี้ดินเป็นเดินน้ำเป็นน้าไฟไป็ลลนลมลมทีนี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราไม่เข้าใจของพวกนี้เลไม่เคยเอามานึกมาคิดมาวงมาแต่งที่จะนางว่าแท้จริงเขาก็เป็นเดินน้ําไฟลม ส่วนข้างในจะเป็นเรื่องหนึง่งเราแค่ไปติดแค่หินน้าไปดโูด น, นรูปร่างกายสูงตามดาขาวผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กคนชราเราก็สารผลม้วนใบกับสังขารกันเป็นกายสังขารเป็นจิตสังขารเราไมกค่อยจะไปสนใจมันเจียมไม่ค่อยเป็นความเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้จึิงเป็นวันที่เรามาเริ่มต้นทุกชูนมาเป็นวันที่ครบพัฒนา่างแสงหรือป ก, ปก ประธรรมนะค ร, รับพระอริยสงฆ์ในวันนี้ออมาดูากรอีสนนะักการะพระพุทธหรือพุท ธ, ธนะเนี่ยท่านเป็นยังไงยังไงเป็นพุทธะตรงไหนตรงเมื่อก่อน ก, นอเเ ก, กน็เหมือนเราใคเวลายี่สเก้าปีก่างกายธาตสี่คณะเหมือนเอาหมดทุกอย่างเขาเป็นพุทธะยังไงเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อพุทธะพุทธะไม่ได้เป็นชื่อของพุทธเจ้า อ้ชื่อของพระุทธเจ้าพุทธะเป็นคุสมบัติของคนที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ถึงผู้บุญบางถามว่าคุณสมบัตินี้พวกเราเป็นได้ไหมเป็นได้เพมันไม่ได้เป็นบอกพระพุทธเจ้าเราเข้าใจว่าพุทธะนี่คือพระพุทธเจ้าเหมือนเราเข้าใจว่าพุทธรูปคือพระพุทธเจ้าเป็นความสำคัญผิดอย่างหนึ่งเป็นมิจฉาอย่างหนึ่งแต่มันได้ไปเราสอนอะเพราะพระพุทธเจ้านะ การรูปร้ปริยาคุณธรนุปะคือรูปเปี่ยวของปริยาทั้นเองเป็นเชิงสั ญ, ญลักษณ์เพราะว่าไม่รู้จะนึกถึงอะไรเช่นเดียวกันคุณสวัสดิ์เหล่านี้ผู้เราทุกคนสามารถเป็นได้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้อบอวลจิตเมื่อในวันนี้สวัสดิ์คณะประจักษ์พยานคนแรกก็คือท่านสุนทรญญาณ ขันพญาพูดถึงขันห้านี่แหละไม่ได้พูดถึงเร่องอื่นอธิบายเรื่องขันหาหรือรูปเดชนาัญญาในการยืนยันทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยขันพูดเป็นภาษาบาลีว่ายังกิณจิสมุาทดิยะธรรมันสับบันตังโลตะธรรมันแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเรืนอยาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมความดับนนนเป็นธรรมดาแปลว่าสรรพสิ่งในโลก มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เลยมันก็ดับไปนั่นคือสภาวะที่แท้จริงที่เราปฏิบัติแล้วจะต้องเจอจะต้องเป็นอย่างนี้ที่ของเราจะเข้าใจสภาวะนั่นกือสภาวะธรรมท่านคนทันยะก็สามารถละสักย ะ, ะจิตจิตจะประมารสุดาบันเข้าใจซึงได้ว่าได้ดวงตาแห่งธรรมคนเดียวในทาง คือการเรื่องเรียกว่าผสมมัตติสนามเป็นการเจตนี้หลังจากนั้นอีกสี่รูปประฟังเชื่อว่าทำมาจากอนัตต์อนัตตะแานลัคนาสโสกก็คือทำลายกันหาน่าคนนสีตัวรูปเวทนาจานงานหนึ่งว่ารูป การห้าตังสีนั้นไม่ใช่ตัวไม่จนไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเศพศจะใครไปยึดไปถือเอาก็ั้งจะเป็นเรื่องของไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่มีเราไม่มีเขาจึงสำเร็จทั้งห้ารูแปลว่าอะไรแปลว่าพุระเจ้าขนาดพระเจ้าเทศเราแสดงสามครั้งแรกให้ผลแค่คนเดียว การที่สองได้มาอีกเพิ่มอีกสีหลังจากนั้นจะได้เพิ่มขึ้นเป็นตั้งเดือนสามเวันมาคันเดึ่งพันสองรอยจะได้เพิ่มเึ้นอนประกาศศาสนาแล้วก็มันมม่นคงมาจนปัจจุบันอันนี้คื อ, อข่าวทีวนี้ปัญหาคือว่าสมมติวันนี้พวกนี้เข้าบันายแล้ว ทำอย่างไรเราเชื่เข้าใจพุทธธรรมสังขะที่แท้จริงจะได้ไม่ขอกับพระอีกทำอย่างไรเราเชื่อเข้าใจคําว่าสิ่งที่แท้จริงทาอย่างไรเราเชื่อเข้าใจคำว่าวัดโดยวัตถุประสงค์จริงๆเข้าใจวรรัตตจัยคือพุทธธรรมะคือสภาวะ ก็ธรรมชาติฝนมาใสหน้าภูเขาเย็นด้านอ่อนแผงอันนี้คือธรรมะไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าพู้เจ้าเป็นของคนเพอานี่คือตะ ว, วะแต่ว่าเหล่านี้ถ้าใครไม่ไม่สัมผัสด้วยตัวเองไม่มีทางหรือจะสังขาที่เหลือให้เราได้โพธิ์เทศปัญญยาย้ยำพวกเราอยู่ มีรัตนใจเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างสามประการเป็นของลําค่าเป็นของมีค่ามากสุด ข, ของมิกาทิฏฐิในโลกนี้เล้ควรจะแสวนาทำความเข้าใจทําให้มีทําให้เป็นดังเกินขึ้นการที่สองคือสภาวธรรมคือธรรมะความองค์ละเอียดอ่อนต้องเรียนรู้ต้องสัมผัสด้วตัวเองนั่นก็ไปสังฆาและนี่คือเป้าหมาย ของชาวพุทธเราทุกคนที่ต้้งเรียนรู้แล้วก็ทำความวาใจได้เห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้ให้มันมากเพื่อเท่าที่มากได้ก่อนที่ชีวิตของเราคือก่อนที่จิตจของเราจะออกจากรังซึ่งเมื่อไหร่ไม่รู้โบราณอาจารย์ับมาปริศนาธรรมมาอีกแต่ละครั้งแต่ละที่ปตะ ว, วันเพื่อนภาษามาแล้วมาปริศาธรรมมาให้เราว่าทาไม เข้าภาษาซึ่งเราก็มีไฟทุกวันทันสมัยไม่เหมือนเมื่อก่อนมันจะเป็นเรื่องใช้เทียนแต่ทำไมก็ยังมีอยู่มันก็เป็นโฆษณาธรรมสอนเราสอนอยังไงสอนให้รู้ว่าเทียนตอนนี้ยังไม่จุดถ้าเป็นคนก็ยังไม่เกิดก็ยังไม่แวะแวะมา ก็เกิดขึ้นมาก็เริ่มขอว่าตัวอย่างครบชวนส่วนเหตุปัจจัยไปเรื่องหนึ่งที่เป็นรูปธปรรมค ร, บรมับชวนแต่เขียนมันไม่มีชีวิตมนไม่มีชีวิตแต่อุป ม, มาอุปไ ม, ม้ให้เราเห็นว่าเออทีอยนที่มันเกิดขึ้นเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพื่อให้พิจาจรณาใจว่าจุดเมื่อไหร่ จุดต้องจุดติดด้วยนะจุดติดเมื่อไร่นั่นแหละคือการเริ่มต้นวชีวิตของพวกเราตอนนี้แล้วจุดแล้วก็ติดแล้วเราที่เข้าใจว่ามันยาวมันเพิ่มยุยืนมากขึ้นเราเข้าใจถึงมันตรงกันข้ามเหมือนเทียนยนั่นี้พอจุดกุดเมื่อไรไมไ่มีแต่สั้นลงสั้นลงชิดมันไม่ได้เพิ่มไม่ได้ยาวจนสุดท้ายดับ อาจจะก่อนหมดครึ่งกลางเทียนมันก็มีองค์ประกอบมีขันเหมือนเราเนี่ยมีดินมีน้ํามีไฟมีลมก็มีเหมือนเรามีลมแปลว่าถ้าไม่มีลมมันจุดไม่ได้หรือจุดแล้วเอาแก้วไปครอบเนี่ยมันก็จุดไม่ได้เนี่ยมันบอกบอกเป็นปริศนาเป็นสอนทํำไมเราในกระดาษกันมันก็สั่นลงสั่นลง เกิด ข, ขึ้นแล้วอย่างเดียวคือคุณสมบัติมันเกิดให้เสียงสวางนนานน่างนี้่อุปกรณ์ท่านก็ใจอย่างนี้อะไรคือพิศาจธรรมทาี่ น, นี้มาว่องปฏิศิณศิณเราก็ต้องออกจากพระออกจากพระถ้าพระไม่ก็ไม่มีศิณละไปว่าอะไรอ า, อาทิตย์หนึ่งมีวันวังรัวันเดียว แล้เออหกวันเราไม่มีสินนี่หรอกเพราะไม่ได้ขอกับพระศินมันคือการรักษาก า, ายกับวาจางขนาะนั้นไม่ต้อไปขอกับใครมันมีอยู่ในตัวนี่แล้วรักษากายวาจางตัวเองนั่นเป็นสินทันทีเหมือนตอนนี้ถึงแม้ไม่ได้ขอไม่ได้ออกไม่ได้ปฏิญาณตนทีละข้อทีละข้อมันเป็นสินทันทีในทางปฏิบัติเราเข้าใจอย่างนี้ วัดนี่คือศีลละแล้วก็ศีลให้เป็นตัวชีวิตเป็นคำว่าวัดหรือเข้าวัดวัดข้อแรกคือวัดศีลนี่แหละคือวัดกายวัดวาจาตัวเองไม่ใช่วัดปฏิทันวัดที่หลวงวัดพระสิงห์เป็ชื่อคําว่าวัดคือตัวนี้คือวัดศีลตัวเองเนี่ยวัดวัดกายวัดวาจา ถามว่าเราวัดได้ไหมในวัดกายวัดวัดเขาไดวัดกายวัดวัจจสามคืวัดใจตัวเองที่วัตถุประสงค์กันเขาวัดถามว่าถ้าเราวัดได้อยู่ที่บ้านวัดได้ไหมวัดกายทีได้ไหมคือควบคุมได้ไหมวัดวัจจะควบคุมวาจจะได้ไหม ถ้าทำได้ตังก็เป็นศีลไม่ต้องของกับพระก็ขอกับพระไปเหมือนเดิมหมดแล้วอย่าไปออกนอกวัดไปแล้วหายแล้ว น, นี่คือถูกชีวัดวัดกายอัจใวัดใ จ, ดใจสามอย่างนี่แหละคือการเข้าวัดพราะนัภาษาการนี่ฮะเราฝากเราทุกคนสามเดือนที่จะนี้ไปนี่ เราจะสร้างความเพบารมีอะไรในบารมีสิทธัสทำได้หมดโดยการอธิษฐานจะเป็นอาจารบารมีโดยการตั้งศัจอะไรก็ได้เป็นศัจบารมีคันติอดทนให้เป็นบารมีกันผะู้เจะาทำมาก่อนเราหมดแล้วกว่าที่จะเป็นผู้เจ้าตัวอย่างที่พูดถึงที่บารมีที่เราสุดๆนนี้นทํามาครอบหมดแล้ว เพราะนั้นถ้าเราจะรอย ต, ตามหมายว่าเคารพในปฏิปทาของพริเจ้าเราคุณเอาตัวอย่างเช่นวรรษาการ์เลยเข้าวัดนะคือวัดกายวัด ว, ดวดจาวัดใจเนี่ยนี่คือเข้าวัดแล ว, วันนั้นไม่มีโอกาสได้มาไม่เป็นไรตั้งใจไปอย่างนี้ใอธิษฐานบาลบีหรือใครประดึง อธิษฐานอย่างอื่นที่ทําะไระยะในสารเดินจะต้องทำให้ได้เช่นบอกวันศีลนี่จะต้องมาวัดให้ได้เป็นอธิษฐา น, นาเหมือนกันตั้งใจใได้หรืออยู่ที่บ้านวันนี้ถ้าใครขาดขา ด, ข, าดขึ้นเกินไหวพระตนมลยังไม่แน่นอนตั้งใจว่าในพรรษาเนี่ยจะต้องไหวพระแล้วก็สมาทานศีลเองที่บ้านนี้แหละ ก่อนหลับก่อนนอนจะทําให้ได้ทุกวันไม่ได้ฐานไปแล้วก็เป็นผลดีกับตัวเองแปลว่าแปลว่าก่อนหลับก่อนนอนก็มีพผู้เจ้าประทับพระศพมีศีลมีตัวสําคัญตัวชีวิตศีลเป็นบ่ออะไรศีลมันเป็นตัวบ่งบอกอย่างน้อยที่สุดคือมันไม่ได้แค่ให้เป็นคนมันเลยเป็นคนไปแล้วถ้าคนมีศีลถ้าศีลห้าครบเนี่ยมันเป็นมนุษย์นั่น ถ้ามีศีลไม่รบมันก็เป็นคนคนละคนพนเปกันไปนแต่ถ้าไม่มีศีลเลยวันไหนไม่มีศีลเลยเป็นคนยังไม่ได้เป็นคนไม่ได้แล้วเป็นอะไรนึกไม่ออกใช่ไหมเฮียหน่าเป็นคนไม่ได้ละคนนึกอะไรไม่ออกอ่ะไอ้ควาย เรื่อไม่ออกต้ระวังพตอะ น, นั้นถ้าเรามีสิ่งไรมันจะไม่เป็นอย่างนี้เราจะได้เกิดอย่างเนี้ยมือนพออวยไวยของเราสมัยก่อนเวลาทนคําอุทานทำมันได้ผ่านไว่าไอ้ที่ไอ้สัตว์อุทานว่าไงพุทธโธจมูกสังโฆใช่ไหมไมันเป็นเป็นสนานะประเดี๋ย เ, เราพูดมันพูดเล่นๆแต่แสดงว่าการทำติดปากจริงๆออกจากใจ แต่เขาใช้แต่เป็น ต, ตัวๆๆๆๆๆๆสมุนไพรโคใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้เพรนภาษาการก็เอาง่ายๆอย่างเนี้สำหรับคนที่บอกไม่มีโอกาสไม่มีเวลาก็ให้แบบนี้เป็นให้เข้าวัดเข้าที่บ้านนั้นแหละบัตรกายวัตรวิจตัวเือให้ได้แล้วก็ทําอะไรก็ได้จะเป็นสัจจาบาลีมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลยแล้วก็บัตต้องลงทุนสักบาทเหมือนกับทาน ไม่มีเลยก็ต้นศีลปฏิปัญญาไม่ลงทุนสักบาทเลยง่ายที่สุดอันนั้นเวลาที่เหลือสามเดือนนี้อยากพวกเราทุกคนสร้างบารามีโดยการตั้งจิตอธิษฐานหรืออะไรก็ได้มันจะเป็นบารามีทีนี้เมื่อเรามีบารามีแล้วเราจะอธิษฐานเราจะขออะไรก็แล้วแต่เช่นสัจจะบารามีและอธิษฐานอยก็ว่า ด้วยสัจจะบารมีด้วยความสัตย์นี้เอเตนะสัจเจนะด้วยความสัตย์นี้ขอขออสวัสดีจุมิหรือขอไพเจ้าหรื อ, รอขออะไรก็ว่าไปแต่เราต้องมีสัจจะก่อนนะถึงจะขอได้ถ้าไม่มีสัจจะเลยจะอยู่จะไปขอมันไม่ได้นี่คือคนสำคัญเพราะฉะนั้นปัรษาการนี้เนีย่ยพวกเราทุกคนให้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีปติบารมี อะไรก็ได้ที่เป็นได้สักข้อก็อไม่ได้เลยภาษากัารบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่าลืมประชิดของพวกเรา ก, ก็เหมือกัเพียนนี้จุดแล้วก็จะสั้นลงสั้นลงถุกคนตอนนี้สามสิบสี่สิบห้าสบหกสิบ็สิบแปดสิบปีเขมีแล้วเก้าสิปีก็มีแล้ ว, 90, ลวสลาหลังเราเนี่เห็นไหมเทียนอะไรมันก็จะดับแล้วนะดับโดยไม่มีอะไรเลย โดยไม่มอะไรคือวัดอะไรไม่ได้ทั้งอย่างเลยอันตรายนะพอจิตมันมีอะไรเลยมันก็จะไหลไปตับภูมิภูมิคือชั้นของจิตมันก็จะไปมาเป็นตำนานนั้นเป็นสิ่งสัต์ต้องถามว่ามนุษย์กับมนุษย์กับสัตว์อะไรมันเยอะกว่กันเป็นคนเหมือนกันบนโลกวันนี้ก็มันไม่ได้มีเยอะเจ็ดแปดพันล้านคน ประมาณในาเป็ดพันล้านคนคนที่มาทางนี้เหมือนพวกเราก็น้อยถือว่าน้อยมากแต่คนที่ยังถือ่ามีผู้สร้างอยู่ก็ยกความอยู่ิธรผู้สร้างหมนแล้วแต่พระองค์จะคิดอะไรก็ได้พูดอะไรทำอะไรก็ได้ยกชีวิตได้ท่านหมดเลยให้ท่านเป็นผู้ตัดสินเบืองบนผู้ตัดสินในศาสนาของเราไม่ใช่การตัดสินตัวเราเอง นั่นคือข้อแตกต่างระหว่างศาสนาที่มีผู้สร้างกับมีผู้สร้างมันติดต่างกันอยู่ที่เราก็จะเป็นผู้สร้างจะเป็นผู้รักษาจะเป็นผู้ทําลายนั่นเป็นคุณสมบัติของศาสนาพราหม์ศาสนาพราหมณกีสามอย่างเป็นผู้สร้างผู้หนึ่เป็นผู้สร้างผู้หนึ่งเป็นผู้รักษาผู้หนเป็นคนทาลายเนตรีมุระติมีสามองคมแต่ คนเราน่เก่งกว่าเก่งกว่าเพราะมีคนคนเดียวกันเป็นผู้สร้างเป็นผู้รักษาเป็นผู้ทาลายได้หมดเลยเก่งกว่าอีพวกเราเก่งกว่าอยู่เราจะเลือกคุณสบัยิข้อไห น, นจะเป็นผู้สร้างสรรจะเป็นผู้รักษาความดีรักษานวามใจของมันกันหรือจะเป็นผู้ทำลายล้างก็เป็นได้ ที่พวกเราคนนังนภาษากั น, นกให้จริงฝากพวกเราอย่างจริงจัง 1, 1, 3, 1, 4, 000, 000, นิดหนึ่งปีหนึ่งสามเดือนเก้าสิบปันเองไม่ได้เยอะแต่โยนนี่ใครติดอย่างอื่นอย่างนหนั ก, กนี่ก็แต่ว่าที่เป็นสัจจะบารานะีกด้น่ะก็จะเป็นบุญกับพวกเราเมื่อจิตสุดท้ายเราก็ ย, ยังนึกได้เออภาษาอันนั้นเรายังมีอธิษฐานบารานีสัจจะบาลานีก ย, ยังนึกถึงได้ก็อย่างนี้นึกอะไรไม่ได้เลย แต่แต่คาเจ็โปวดนึกถึงลูกนึกถึงหลานนึกถึงสมบัตินึกถึงสัตว์เลี้ยงอันนี้หนักเลยตรงนี้นักก็ฝากาพวเราทุกคนตลอดภาษาการนี้อันนี้คือสารธรรมตลอดฝากพวเราชาวก่อนเข้าราษาอันนี้เพื่อเป็นแนวนึกแนวคิดแนว ป, ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็จะแบบเป็นผู้เจริญรอยตามพ่อของเราคือพระเจ้าขอให้พวกเราเป็นลูกที่ดี คือเชื่อฟังพ่อคือพระเจ้าเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังแม่คือพระธรรมเป็นลูกที่ดีที่เชื่อฟังลูกของท่านคือผสมถ้าเราเชื่อฟังบุคคลสามครอบครัวของเราเหมือนครอบครัวของเราพ่อคือพระเจ้าแม่คือพระธรรมลูกคือผสมถ้าครอบครัวไหน พ่อพูดก็ไปฟังแม่พูดก็ไปฟังโลกงโูกพูดก็ไปฟังลูกกันจะมีความสุขไหมมันจะเริ่มจกวัดไปไว้ที่บ้านคือเอาวรถไปทำผส์ไปไว้ที่บ้านคุณสมบัตินะแต่จะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เรากแต่เพื่อเห็นไปรูปประทับชัดเจนว่าเราสามารถที่ยกไปไว้วัดเราได้ในขณะเดียกันภาษาการนี้เอาแบบรูปประทับก็ได้ ใครที่มีพ่อแม่อยู่ดูแลท่านนิดหนึ่งหาวกาศหาวเวลาแสดงความกตัญญูกตะเว ท, ทีเวลาแต่ละคนมีน้อยพอจะไปอ้างเวลานันนีนุนท่านเลี้ยงเรามาใช้เวลา20ปีพอจะเรียนจบมันกันไปเท่าไหร่เคยนับมือนับเท้าดูไหมร้านหนึ่งมันมันมากเลยไหม น้อยนะค่าวัลสามมือคพอือพาอค่าเรียนตอบแค่นี้ยังเป็นวิศวะคิดะฝากตัว น, นั่นคือพาดเยจริงพาในบ้านตัวแดเท่าที่เราจะทำได้ดีกว่ามานั่งเสียใจว่าเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาหลายคนจะเป็นอย่างนี้คือมาเรีนมาบนหลพ่อฟังเสียดาย โอกาสเวลาที่ไม่อยู่ไม่มีโอกาสเลยลกันซะเริ่มวันนี้เริ่มวันจากทรนแต่ใครอยู่ใกล้อยู่ใครโดยนี้มันทันสมัยเห็นหน้เห็นต า, ากันหมดคุยกันได้ให้กหลังแจกันได้อย่าลืมพ่อแม่พวกเราในฐานะเป็นลูกในระโดยภาพรวมนะ้เราก็จะลืมพ่อแม่ทางธรรมของพวกเราคืออาเข้าใจเจ้าเป็นดวงพิเศีนะ ถ้าทำให้เชื่อฟังแม่นะป็นพระว่า ก, กังพระสงฆ์ลูกที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะรอยตามพ่อแม่แล้วนำมาเล่าสู่พวกเราฟังให้เชื่อฟัง ก, ก, กันบ้างอันนี้คือศาสตารธรรมสำหรับก่อนเข้าประากันนี้เพือ่อให้ได้อย่างน้อยจะเป็นแนวคิ่สึกิกกใจจะได้รับซื่อกันปฏิบัติต่อไป